อนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. ภิกษุไม่จงใจ 2. ภิกษุไม่รู้ 3. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะฆ่า 4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน 6. ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา 7. ภิกษุต้นบัญญัติปฐมภาณวานในมนุษษะสวิขหะปาราชิก จบ